ความจากบาลีเท่าที่ยกมาแสดงไว้นี้นอกจากมุ่งให้ผู้ศึกษามองเห็นความหมายต่างๆตามความพิจารณาของตนเองแล้วยังต้องการย้ำความอีกสองข้อข้อหนึ่งถ้าใช้ความรู้สึกของปุถุชนมองดูคําบรรยายเกี่ยวกับภายในจิตใจของพระอรหันต์ตามหลักวิชาข้างต้นบางคนอาจวาดผ้าผิดๆไปว่าพระอรหันต์ คงจะมีลักษณะเป็นคนไม่ใส่ใจใยดีอะไรกับใครทั้งสิ้นปล่อยอะไรไปตามเรื่องตามราวเสมือนไม่มีจิตใจจัดเป็นคนประหลาดได้พวกหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงต้องให้พิจารณาเทียบกับลักษณะด้านนอกให้เห็นว่าพระอรหันต์มีความประพฤติและการดําเนินชีวิตที่เป็นไปด้วยความรับผิดชอบและความมีเหตุผลให้เห็นว่า เมื่อไม่มีประสบการณ์ข้างค้างครองใจไม่มีกิเลสครอบงำเป็นเจ้าหัวใจจิตเป็นอิสระแล้วความรู้สึกนึกคิดลักษณะการดาเนินชีวิตของบุคคลจะเป็นอย่างไรความจริงลักษณะแปลกๆ ป, ประหลาดปรๆต่างๆมักพบในท่านที่ได้เจโตวิมุตตบางระดับและบางท่านส่วนพระอรหันต์เป็นผู้ได้ปัญญาวิมุตตแล้วย่อมไม่มีแม้แต่ความยึดมั่นว่า เราเป็นผู้ไม่ยึดมั่นไม่มีกิเลสที่จะแสดงตนว่าฉันเป็นคนไม่ยึดมั่นไม่มีความยึดมั่นใหม่เช่นยึดผลสําเร็จบางอย่างในทางจิตที่จะทําให้แสดงความละเลยไม่เอื้อเฟื้อต่อสิ่งที่ตนเคยเหนื่อยหน่ายและทิ้งไปแล้วและไม่มีแม้แต่กิเลสที่จะทําให้แสดงความเบื่อหน่ายรังเกียจด้วยเหตุนี้ท่านจึงปฏิบัติตัวหรือแสดงออกไปตามเหตุผล ตามความสมควรที่มองเห็นด้วยปัญญาอย่างน้อยก็เพื่ออนุเคราะห์แก่กุศลจิตของชาวโลกอีกข้อหนึ่งการไม่มีความกลัวไม่หวาดเสียวไม่สะดุง้งไม่ตกใจไหวหวั่นเป็นลักษณะทางจิตที่สาคัญอย่างหนึ่งของพระอระหันต์เพราะพระอระหันต์หมดราคาโทสะโมห oh ะที่จะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวความหวาดเสียวสะดุง้ง ดังได้กล่าวแล้วในตอนว่าด้วยภาวะทางจิตของผู้เข้าถึงนิพพานความกลัวความหวาดเสียวสะดุ้งตกใจนี้เกิดจากเหตุคือกิเลสที่แฝงลึกอย่างที่เรียกกันว่าอยู่ในจิตไร้สำนึกเป็นอาการตอบสนองที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใดเมื่อประสบอารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวอันเข้ามากระทบโดยไม่ทันรู้ตัวความสะดุ้งตกใจเช่นนี้เป็นของปกปิดได้ยาก เพราะยังไม่ทันได้ตั้งสติจึงเป็นเครื่องฟ้องได้อย่างดีถึงกิเลสละเอียดที่ยังแฝงอยู่ภายในไม่อาจเสแสร้งแก่ผู้อื่นและไม่อาจหลอกลวงตนเองในการปฏิบัติธรรมก็เคยปรากฏว่าท่านใช้อาการหวาดเสียวสะดุ้งตกใจเช่นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์การที่ได้บรรลุหรือยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลในกรณีที่ละเอียดอ่อนซึ่งพฤติการทั่วไปชวให้เห็นว่าได้บรรลุแล้ว และแม้แต่ตนเองก็ยังลงผิดไปว่าได้บรรลุดังเรื่องในคำพีว่าพระเทรรรูปหนึ่งได้สมาบัติแคล่วคล่องกิเลสถูกคมสงมบอยู่ด้วยกำลังสมาบัตินั้นจึงเข้าใจว่าตนเป็นพระอระหันต์อยู่มาจนชรานับแต่ได้สมาบัติถึงห0สปีวันหนึ่งเห็นรูปช้างใหญ่มีอาการดุร้ายกำลังร้องแผดเสียง เผยตอกใจจึงรู้ตัวว่าตนยังเป็นปุถุชนเท่าที่เสนอคำอธิบายเรื่องนิพพานสองมาถึงเพียงนี้ก็ยืดยาวมากแล้วควรยุติไว้คราวหนึ่งก่อนยังมีปัญหาอีกเพียงแง่เดียวที่ยังไม่ได้อธิบายคือข้อที่มีบางคนชอบถามว่าพระอรหันต์เมื่อสิ้นชีวิตแล้วเป็นอย่างไรหรือนิพพานหลังจากการสิ้นชีพของพระอรหันต์เป็นอย่างไร คำถามอย่างนี้ท่านว่าเป็นข้อสงสัยที่ตั้งขึ้นบนฐานของความเข้าใจผิดคือไม่รู้จักตัวสภาวะนั้นตั้งแต่ในปัจจุบันนี้แล้วจึงตั้งคำถามผิดผิดขึ้นดังนั้นจึงจัดเป็นคำถามนอกขอบเขตของตอนนี้และยกไปพูดในตอนท้าย